เพราะฉะนั้นจึงพูดได้อีกนัยยะหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งว่าเจตนาคือกรรมทั้งนี้ก็เพราะการกระทําทุกอย่างย่อมเกิดจากเจตนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและการกระทํานั้นจะเป็นกุศลหรากุศลสําคัญอยู่ที่เจตนาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิ